ส, สัมผัสยองหลายคนคงเคยได้ยินชื่อของผีนางรำที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผีไทยที่น่ากลัวที่สุดติดอันดับต้นๆของเราบรรดาผีเลยทีเดียวทั้งรูปร่างการแต่งกายในชุดนางรำเต็มยศใบหน้าที่ขาวซีดบางครั้งก็มีหยดน้ำตาไหลเป็นสายเลือดอีกด้วย โดยผีนางรำนั้นมักจะมาพร้อมกับเสียงดนตรีไทยดั้งเดิมทั้งยังสร้างความหลอนและขวัญผวาเป็นอย่างมากในท่าทางการไร้ราที่อ่อนช้อยแต่แฝงไปด้วยความน่ากลัวน่าขนลุกหรือไม่ก็มีเสียงหมาหอนประกอบเข้าไปอีกแล้วแต่เหตุการณ์ที่บุคคลผู้นั้นจะได้เจอเชื่อว่าทุกคนที่ได้เจอกับผีนางรานั้น คงจะเพ่นหนีในทันทีที่ได้พบเจอโดยไม่ต้องนัดหมายโดยเรื่องเล่าขานต่างๆมักจะพูดในทํานองเดียวกันว่าผีนางรานั้นครั้งหนึ่งเคยเป็นมนุษย์แต่ได้เสียชีวิตขณะที่ใส่ชุดรานั้นอยู่หรือไม่ก็เป็นบุคคลที่เป็นนางราโดยอาชีพแต่ได้เสียชีวิตลงอย่างปริศนาบางก็ว่าผีนางราครั้งยังที่เป็นมนุษย์ ได้ทำหิดต่อครูบาอาจารย์ด้านศาสต ร, นตรส์นาฏศิลป์ทำให้ชีวิตต้องจบลงอย่างสุดอนาถและเมื่อเสียชีวิตไปจึงกลายเป็นผีนางรำไปนั่นเองจากคำบอกเล่าของผู้คนที่ได้พบเจอได้บอกว่าผีนางรำส่วนใหญ่แล้วมักจะพบเจอที่ห้องนาฏศิลป์ห้องดนตรีไทยบ้านเรือนไทยเก่าสถานที่เปรียวศาลเจ้า หรือตามต้นไม้ใหญ่ที่มีผ้าสีผูกไว้แต่เรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นประสบการณ์จริงของผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้พบเจอกับเหตุการณ์ประหลาดน่ากลัวน่าขนลุกซึ่งเธอนั้นได้พบเจอกับผีนางรำในบ้านของตัวเองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ9ปีก่อนขณะที่เรากับแม่ได้พากันไปเที่ยวยังจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ ส่วนพ่อนั้นไม่ได้ไปด้วยทิ้งให้อยู่ที่บ้านเพียงลำพังเรากับแม่ไปเที่ยวนานเกือบสองอาทิตย์แล้วจึงกลับบ้านเมื่อกลับมาถึงบ้านแม่ก็เปิดประตูเพื่อที่จะเข้าบ้านแต่แล้วก็ต้องกรีดรันเมื่อเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราตกใจมากเลยถามแม่ไปว่าเป็นอะไรแม่ก็บอกว่าเปล่าไม่มีอะไรแต่เรา ก็ยังคงสงสัยในสิ่งที่แม่ได้ปกปิดเราไว้เราจึงคิดว่ารอให้มันผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้วค่อยกลับมาถามใหม่ก็ได้ขณะนั้นพ่อก็ยืนอยู่ตรงหน้าประตูพอดีคงพอได้ยินเสียงรถของเรากับแม่เราจึงเดินเข้าไปทักทายพูดคุยกับพ่อหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาหลายวันคืนนั้นพอเรามีโอกาสได้อยู่กับแม่กันสองคน แม่จึงเล่าให้เราฟังว่าขณะที่เปิดประตูเข้าบ้านอยู่นั้นก็เห็นพ่อมายืนตรงหน้าประตูใบหน้าของพ่อนั้นซีดมากเหมือนกับศพหน้าดูเหมือนไม่มีเลือดอยู่เลยซึ่งเป็นไปทั้งใบหน้าจนถึงช่วงลำคอส่วนร่างกายบริเวณอื่นก็ปกติหมดแม่เราก็เลยพูดติดตลกไปว่าแกลองไปดูห้องใต้ดินสิเผื่อศพพ่อแกจะอยู่ตรงนั้น เวลาผ่านไปสามวันทุกอย่างก็ดูปกติดีพ่อกับแม่ของเราก็พากันไปทุระข้างนอกโดยมีเราไปด้วยปกติแล้วพ่อจะเป็นคนขับรถแต่วันนี้พ่อบอกว่าปวดหัวมากจึงขอไปนั่งด้านหลังแทนแล้วแม่ก็หันมากระซิบถามเราวนาตาของพ่อปกติดีไหมเราก็บอกไปว่าปกติดี แต่แม่ก็ยังยืนยันบอกว่าหน้าตาของพ่อยังคงขาวซีดอยู่มองดูแล้วก็สยองไม่ต่างจากหน้าศพเลยแล้วเราก็หันกลับไปมองหน้าพ่ออีกครั้งก็เห็นว่ามันก็ปกติดีเราเองก็ไม่คิดอะไรมากคิดว่าแม่คงตาฝาดไปเองเมื่อทาธุระเสร็จพวกเราก็พากันกลับบ้านแล้วเรา ก็ขอเงินพ่อไปซื้อกว๋วยเตี๋ยวเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวเลยพอซื้อมาพ่อขอชิมแล้วบอกว่าอร่อยดีเราเลยพูดกับพ่อว่าเดี๋ยวพวกนี้ซื้อมาให้กินนะพอตกคำ่ำคืนนี้พ่อก็ถามว่าจะนอนกับพ่อไหมเพราะไม่ได้นอนกับพ่อมานานแล้วแต่เราอยากนอนกับแม่ที่ชั้นสองมากกว่า ก็เลยปฏิเสธไปแล้วก็เข้านอนตามปกติขณะที่เรากำลังหลับสนิทอยู่นั้นก็ต้องตื่นขึ้นเพราะมีคนมาเรียกอยู่ที่ปลายเตียงเราได้ยินเสียงเธอคนนั้นบอกเราว่ามานี่ตา ม, มานี่เราเลยลืมตาขึ้นมาก็เห็นนางรำผิวขาวมากหน้าตาสะสวยแต่ดูเหมือนกับว่ายังแต่งตัวใส่เครื่องประดับไม่เสร็จ เพราะในมือของเธอนั้นยังถือพวกเครื่องประดับแล้วมายืนเรียกเราอยู่เลยเธอยังคงบอกว่ามาหนี่ตามมานี่เราก็ถามว่าจะไปไหนเพราะกลัวอยู่เหมือนกันโบราณว่าไว้ถ้ามีคนมายืนเรียกห้ามไปด้วยเด็ดขาดนางรํายังคงพูดย้ำๆอยู่อีกว่ามานี่มานี่ต้องตามมา ตอนนั้นมันรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเรากำลังถูกดึงไปสายตาเรากวาดมองบริเวณโดยรอบทุกอย่างมันก็คือบ้านของเราไม่ผิดเพี้ยนขณะที่ตัวเราตอนนั้นกำลังโดนพลังบางอย่างดึงดูดให้ลอยตามนางรำไปเราก็สังเกตเห็นว่าเธอนั้นไม่ได้ก้าวขาเลยสักนิดแต่เหมือนกับลอยไปข้างหน้า มันทำให้เรายิ่งกลัวมากขึ้นจนตัวสัน่นในใจก็คิดเขาเป็นใครจะพาเราไปไหนแล้วเราจะได้กลับมาอีกไหมเราถูกดึงดูดไปจนถึงที่พักบันไดแล้วก็เห็นเหมือนกับว่าพี่ชายกับแม่กำลังเดินขึ้นบันไดามาเราตะโกนสุดเสียงทั้งน้ำตาแม่ช่วยหนูด้วยพี่ช่วยหนูด้วยหนูอยู่นี่ช่วยหนูด้วย ความรู้สึกในตอนนั้นมันกลัวสุดขีดแต่แล้วนางรำก็บอกว่าไม่ต้องตะโกนไม่มีใครได้ยินหรอกเธอก็ยังคงบอกให้รีบตามมาทันใดนั้นเธอก็หันมาบอกกับเราว่าไม่ทันแล้วแล้วเธอก็ลอยหายเข้าไปในห้องของพ่อที่อยู่ชั้นหนึ่งจากนั้นทุกอย่างรอบตัวจากที่มีแสงสว่างก็มืดไปหมด เรายังไม่ทันได้หายกลัวจู่ๆก็มีแสงสว่างขึ้นเราเห็นผู้หญิงสามนางใส่ชุดไทยมีแสงสว่างอยู่รอบตัวลอยบนหัวของเราสองนางซึ่งชุดที่ใส่นั้นนางหนึ่งเป็นชุดสีเขียวอีกนางหนึ่งชุดสีเหลืองก็มารุมต่อว่าเราอย่างมากว่าอากตันยูแต่อีกนางหนึ่งที่ใส่ชุดสีขาว ก็เข้ามาปกป้องเราบอกว่าเด็กมันไม่รู้เรื่องแล้วเธอคนนั้นก็บอกว่าให้หยดเทียนห้าหยดแล้วเราก็สะดุ้งตื่นเหงื่อท่วมตัวร้องไห้ด้วยความกลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนแม่ที่นอนอยู่ข้างๆก็ตื่นขึ้นมาแล้วกอดเราบอกว่าไม่มีอะไรแล้วนอนเถอะแม่คงคิดว่าเราฝันร้ายแน่แน เรากอดแม่แน่นแต่ก็ยังร้องไห้จนหลับไปตื่นเช้ามาเราก็เล่าทุกอย่างให้แม่ฟังแม่บอกไม่มีอะไรหลอกเดี๋ยวจะพาไปทำบุญจะได้สบายใจเราเลยพูดคำๆว่าผีหายเข้าไปในห้องพ่อสงสัยพ่อโดนผีหลอกตายละมังแม่ก็ยิ้มแล้วก็ขำด้วยจากนั้นก็ชวนกันไป ทำกับข้าวกินกันแล้วแม่ก็ให้เราไปเรียกพ่อเราไปเคาะประตูเรียกพ่ออยู่นานแต่พ่อก็ไม่มาเปิดเสียทีเลยหากุญแจไขเข้าไปเราตกใจช็อกมากไม่เห็นพ่อเราในสภาพที่ไร้ลมหายใจมันทำให้เรานึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนว่าทำไม ผู้หญิงใส่ชุดไทยสองนางนั้นถึงต้องมาต่อว่าเราตอนนี้พ่อจากเราไปแล้วเรารู้สึกผิดมากๆที่นางรามาเรียกเราบอกให้รีบไปแต่เรากลับตัวไม่ยอมไปกับเธอเราเสียใจมากที่คืนนั้นไม่มีโอกาสได้นอนกับพ่อเป็นครั้งสุดท้ายและมันคงไม่มีโอกาสอีกแล้ว ทำไมพ่อถึงไม่อยู่รอให้เราซื้อก๋วยเตี๋ยวมาให้กินก่อนทุกวันนี้เราก็ยังรู้สึกผิดอยู่ตลอดที่ยังไม่ได้ตอบแทนบุญคุณท่านพ่อรักเรามากแต่เรายังไม่ทันได้ทำอะไรให้พ่อภูมิใจเลยเราจะดูแลร่างกายที่พ่อให้เรามาและจะทำความดีให้มากส่วนตอนนี้ คนที่เราจะดูแลตอบแทนบุญคุณได้ก็เหลือเพียงแต่แม่เท่านั้นจะรักและดูแลแม่ให้ดีที่สุดปัจจุบันนี้เราก็ยังไม่รู้ว่านางรำเธอนั้นเป็นใครเป็นผีบ้านผีเรือนหรือครูบาอาจารย์ที่โรงเรียนนัตสินของเราแล้วผู้หญิงสามนางในชุดไทยที่มีแสงรอบตัวคือใคร แล้วเทียนห้าหยดที่บอกกับเรานั้นมันหมายความว่าอะไรกันแน่สัมผัสสยอง